เจ็ดสารีปุตตะสังยุต 1. วิเวกะชะสูตรว่าด้วยปฐมฌานที่มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก332สมัยหนึ่งท่านภาษารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบิน ธ, ธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าท่านภาษารีบุตรครองอันตรวาสก ถือบาทและชีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒนารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักกลางวันถึงป่าอันทวันแล้วนั่งพักอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งต่อมาเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เหลีย ก, กร้นแล้วเข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐี ท่านพระอนุนได้เห็นท่านพระสารีบุตรกําลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าท่านสารีบุตรอินทรีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิผุดพองวันนี้ท่านสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ผมสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเข้าปฐมฌานที่มีวิตก วิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ผมนั้นไม่ได้คิดว่าเราเข้าปฐมฌานอยู่หรือเข้าปฐมฌานแล้วหรือออกจากปฐมฌานแล้วอันที่จริงท่านพระสารีบุตรถอนอาหางการมะมมังการและมานานุสัยออกได้นานแล้วฉะนั้นท่านพระสารีบุตรจึงไม่คิดว่าเราเข้าปฐมฌานอยู่ หรือเข้าปฐมฌานแล้วหรือออกจากปฐมฌานแล้ววิเวกะชะสูตรที่หนึ่งจบออวิตักกะกสูตรว่าด้วยทุติยฌานไม่มีวิตก333เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระ อ, อนนท์ได้เห็นจึงถามว่า ท่านสารีบุตรอินสีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิผุดผ่องวันนี้ท่านสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุพระวิตกวิจาร์สงบประงับไปวันนี้ผมเข้าทุติยฌานมีความผ่องใสในจิตภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ผมนั้นไม่ได้คิดว่าเราเข้าทุติยฌานอยู่หรือเข้าทุติยฌานแล้วหรือออกจากทุติยฌานแล้วอันที่จริงท่านพระสารีบุตรถอนอาหางการมามังการและมานานุสายออกได้นานแล้วฉะนั้นท่านจึงไม่คิดว่า เราเข้าทุติยชาญอยู่หรือเข้าทุติยชาญแล้วหรือออกจากทุติยชาญแล้วอาวิตต ก, กสูตรที่สองจบ 3. ปีติสูตรว่าด้วยตติยชาญที่มีปีติ334เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี ท่านพระ อ, อ น, นุนได้เห็นจึงถามว่าท่านสารีบุตรอินสีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าบริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้ท่านสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุเพราะปีติจางคลายไปวันนี้ผมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายอยู่ เข้าตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสารเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขผมนั้นไม่ได้คิดว่าเราเข้าต ต, ติยฌานอยู่หรือเข้าต ต, ติยฌานแล้วหรือออกจากตติยฌานแล้วอันที่จริงท่านพระสารีบุตรถอนอาหางการมมังการและมานานุสัยออกได้นานแล้วฉะนั้น ท่านจึงไม่คิดว่าเราเข้าตติยฌานอยู่หรือเข้าตติยฌานแล้วหรือออกจากตติยฌานแล้วปิติสูตรที่สจบ 4. อุเบกขาสูตรว่าด้วยจะตุถชาญที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา335ห้า เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระอ น, นุนได้เห็นจึงถามว่าท่านสาริบุตรอินสีของท่านผ่องสายยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้ท่านสาริบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสาริบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้ว วันนี้ผมเข้าจะตุถชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ผมนั้นไม่ได้คิดว่าเราเข้าจะตุถชาญอยู่หรือเข้าจะตุถชาญแล้วหรือออกจากจะตุถชาญแล้วอันที่จริงท่านพระสารีบุตรถอนอาหางการมะมมังการและมานานุสัยออกได้นานแล้วฉะนั้นท่านจึงไม่คิดว่า เราเข้าจะตุถชาญอยู่หรือเข้าจะตุถชาญแล้วหรือออกจากจะตุถชาญแล้วอุเปขาสูตรที่สจบ5อาอาก า, านสาจายตนะสูตรว่าด้วยอากาาสาญจายตนะชาญ336เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ผมเข้าอากาศสานัญจายตนะฌานฌานอันกําหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์อยู่โดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรู้รูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กําหนดนานตตาสัญญา โดยประการทั้งปวงอยู่หรือออกจากอากาสาัญจายตนะฌานแล้วอากาสาัญจายตนะสูตรที่หจบ 6. วิญญาณัญจายตนะสูตรว่าด้วยวิญญาณัญจายตนะฌาน3า7เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี ท่านพระอนน์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ผมล่วงอากาานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าวิญญาณนันจายตนะฌานฌานอันกําหนดวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์โดยกําหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้หรือออกจากวิญญาณนัญจายตนะฌานแล้ว วิญญาณัญจายตนสูตรที่หจบเจ็ 7. อากินจัญญายตนสูตรว่าด้วยอากินจัญญายตนะฌาน338เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุ วันนี้ผมล่วงวิญญาณัญจายตนาชาญโดยประการทั้งปวงเข้าอากินจัญญาัตนาชาญกาหนดภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์โดยกาหนดว่าไม่มีอะไรหรือออกจากอากินจัญญาัตนะชาญแล้วอกินจัญญาัตนะสูตรที่7็จบ เนวสัญญานาสัญญายตนะสูตรว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานสามร้อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ผมล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌาน ชานอันเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่มิมีสัญญาก็มิใช่หรือออกจากเนวะสัญญานาสัญญายตนะชาแล้วเนวะสัญญานาสัญญายตนะสูตรที่แปดจบเก้านิโรธัสมาปัติสูตรว่าด้วยนิโรธสมาบัต 340สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีคลั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าปีบินทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตนารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักกลางวัน ถึงป่าอันธวันแล้วนั่งพักอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งต่อมาเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกรัน้นแล้วเข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีท่านพระอานน์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรกําลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าท่านสารีบุตรอินทรีย์ของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผุดผ่อง วันนี้ท่านสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ผมล่วงเนวสัญญานาสัญญายาตนาชาญโดยประการทั้งปวงเข้าสัญญาเวทยิทนิโรธสมบัติที่ดับสัญญาและเวทนาอยู่ผมนั้นไม่ได้คิดว่าเราเข้าสัญญาเวทยิทนิโรธอยู่หรือเข้าสัญญาเวทยิทนิโรธแล้ว หรือว่าออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วอันที่จริงท่านพระสารีบุตรถอนอาหังการมะมังการและมานานุสัยออกได้นานแล้วฉะนั้นท่านจริงไม่คิดว่าเราเข้าสัญญาเวทยิตนนโรธอยู่หรือเข้าสัญญาเวทยิตนนโรธแล้วหรือออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วนิโรธสมาปฏิสูตรที่9จบ สุจิมุกขีสูตรว่าด้วยสุจิมุกขีปริพาชค 341. สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชกฤคขั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตราวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชกฤช อาศัยเชิงผาแห่งหนึ่งชั้นบินตบาทนั้นครั้งนั้นปริพาชิกาชื่อสุจิมุขีเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วได้ถามสมณะทําไมท่านจิงก้มหน้าฉันเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าน้องหญิงเราไม่ได้ก้มหน้าฉันสมณะถ้าอย่างนั้นท่านเงยหน้าฉันหรือน้องหญิง เราไม่ได้เงยหน้าฉันสมณะถ้าอย่างนั้นท่านมองดูทิศใหญ่ฉันหรือน้องหญิงเราไม่ได้มองดูทิศใหญ่ฉันสมณะถ้าอย่างนั้นท่านมองดูทิศน้อยฉันหรือน้องหญิงเราไม่ได้มองดูทิศน้อยฉันดิฉันถามว่าสมณะทําไมท่านจึงก้มหน้าฉัน ท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ก้มหน้าฉันดิฉันถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านเงยหน้าฉันหรือท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้เงยหน้าฉันดิฉันถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านมองดูทิศใหญ่ฉันหรือท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้มองดูทิศใหญ่ฉันดิฉันถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านมองดูทิศน้อยฉันหรือท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้มองดูทิศน้อยฉัน สมณะก็บัดนี้ท่านฉันอะไรเล่าน้องหญิงก็สมณะพรามเหล่าได้เหล่าหนึง่งเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรฉานวิชาคือวิชาดูพื้นที่สมณะพรามเหล่านี้เรียกได้ว่าก้มหน้าฉันสมณะพรามเหล่าได้เหล่าหนึง่งเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะ เดรฉานวิชาคือวิชาดูพื้นที่สมณพราหม์เหล่านี้เรียกได้ว่าก้มหน้าฉันสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรชานวิชาคือวิชาดูดาวเลิกสมณพราหม์เหล่านั้นเรียกได้ว่าเงยหน้าฉันสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ เพราะทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารสมณพราหม์เหล่านั้นเรียกได้ว่ามองดูทิศใหญ่ฉันสมณพราหม์เหล่าใดเหล่านึงเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรชจานวิชาคือวิชาดูอวัยวะสมณพราหม์เหล่านั้นเรียกได้ว่ามองดูทิศน้อยฉันน้องหญิงเรานั้นไม่ได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ เพราะเดรจชานวิชาคือวิชาดูพื้นที่มีได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรจชานวิชาคือวิชาดูดาวดูเลิกมีได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารมีได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรจชานวิชาคือวิชาดูอวัยวะแต่ เราแสวงหาภิกษาโดยชอบธรรมแล้วจริงฉันลำดับนั้นสุจิมุขีปริพาชิกาเข้าไปในกรุงรัชครึแล้วประกาศตามถนนสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่งตามตรอกหนึ่งไปยังอีกตรอกหนึ่งอย่างนี้ว่าท่านสมณะสักยะบุตรท่านทั้งหลายฉันอาหารที่ได้มาโดยชอบธรรมไม่มีโทษ ขอเชิญท่านทั้งหลายถวายบิณฑบาตแก่สมณะสักยะบุตรทั้งหลายเถิดสุจิมุขีสูตรที่สิบจบสารีปุตตสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุต t นี้คือ 1. วิเวกะชะสูตร 2. อ, อวิตกะสูตร 3. ปิติสูตร 4. อุเปกขาสูตร 5. อาอากาสาญจายตนะสูตร 6. วิญญาณจายตนะสูตร 7. อกินจัญญายตนะสูตร 8. เนวสัญญานาสัญญายตนะสูตร 9. นิโรธาสมาปติสูตร 10. ส, สุจิมุขีสูตร